ติหังจะโตโรติหนังติหังจะโตโรตินังติหังจะโตโรตินังติหังจะโตโรติหนังติหังจะโตโรติหนังติหังจะโต โรธินังติหังจะโตโรธิหนัง